แต่คุที่อสมุนสมุนสุเกิดในกองเงินกองทอ ง, นนงในอดอยากใครเล่าไม่ต้องการอย่างนั้นต่างท่านต่างคนต่างต้องการจะเห็นไดวายเล่าจึงเกิดขี้ขี้เพราะไม่มีบุญวาสนาในต่าง ส, งสมุนโรมาเสกเต่าก่อนมันถึงเป็นตัวอย่านั้นเรื่องร่างกายกนเสมือนการใายเล่าปาถนาโลกไพ่ไพ่เจ็ดใายเล่าปาถนา ร่างกายคิดเิดนิดไม่มีแต่ก็ได้กันผมเถอะเพราะเหใดเพราะบุญหลักศสนาไม่มีจำเส้นแก้ต้องได้สวยจำของส่วนที่เคก่อร้างไว้แต่พบก่อนาตก่อนในทางศาสนาขันตรอนใ้เชื่อจำการภาวนาในการรักษาศีลอายุยืน หนึ่เงเยนไทยการภาวนามีความเฉลียวฉลาดในใจทิดไทยอะไรสว่างไส ว, สวต่อโตเปอนเรื่องจำเป็นของทุกคนที่ยังไม่พ้นจากทุกต้องการความสุขจะต้องรีบเร่งกระทำบำเพ็ญทานก็ควรมีศีลก็ควรมีภาวนาก็ควรมีนี่แต่ ข้าของเงินทองรปร่างกายผิที่เหลวโรคภัยไขเจ็บหยดเยีนอดอดะแสมตัวใช้ไม่ได้ทานไม่ได้เพราะขาดฉันเจอโรคภัยยเยียนจะมีทนายกินไม่ได้ไม่กลัวเป็นผลเประโยชน์อะไรเร่นั้นขันจึงสอนให้ครบร่างกายจบงดงามสมบัติธาฐานสมูร สติปัญญาจะเยอะขนาดครบทั้งสามดีแล้วถึงจะเป็นมนุษย์ก็มีความสุขขอสนควรผาหากอดอยากขาดแคลน <c oughs> มันลำบากเราไม่อยากอดอยากเรืองยากอย่างนั้นขอภาการขวนขวายกต่ทำบํมเพลิงการให้ทานเราไม่อยากเป็นคนขี่โรคขี่ภัยขอภากัน ตั้งใจรักษาศีลเราอยากเสเียอสลาะดขอพากันภาวนาหน่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่คุ้มครองโลกผู้ที่ที่นี้ที่เจรนาในเรื่อเหล่านี้จริงจังจะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าดีเด่นทันสมัยเป็นอา ศ, าศาัยโกอย่างจริงใจชื่อไม่เสื่อมไม่เสียไปตามตามตา ม, ตามเวลาที่ผ่าน คนที่ทําดีเวลารใดเวลาใดทางศาสนาถือว่าดีในเหมือนศาสนาของพราหมว่าวันนั้นมีวันนี้ชั่ววันโจมันฟูอะไรเขาว่ากันไปจะทําอะไรก็ต้องหาลุกหายามหาวันเช่นก่อนแต่ทางศาสนาท้าเราใชนัตั้งถึงมือพลังสุขบักคาตั้งถึงหุ่นตั้งจะสกันขณะใดถ้าเราทําดี ขาะนั้นแหละเป็นมงคลไม่ใส่การเวลาเป็นมงคลวันไหนดีปีเดือนไห่ดีจากเราทำชั่ววันดีปีเดือนดีเพราะการเราที่เราทำดีหรือของจะมีมากม า, ายใส่กองขนาดไหนเราหิวอยู่เตจนขี้แต่เราไม่ทานมันก็มีวันอี่วันนี้วันดีไม่ต้อง ทำงานงานนั้นก็จะต้องเล็จไปวันนี้วัน ด, นดีไม่ต้องทานอาหารมันจะอิ่มเองไม่เช่นอย่างนั้นหลักฐานของศาสนาหิือว่าการทำดีจะมีผลดีแก่ตัวไม่มี้อยู่าาตามการตามใวลาง <c oughs> ทางศาสนาสอนอย่างนั้นการประพฤติจิตใจจึงเป็นเด็กสำคัญคนเราทั่วไปร่างกายจะ รวยสดงดงามเข่าของเงินทองจะมากมายแต่กองขนาดไหนแต่ถ้าใจชั่วใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นใช้ไม่ได้คุมควางรักษาสมบัติพระสถานใน่ัด้ไมนมีใครยินดีชมเสกคิดดูควรที่เสียจริตใครหรอรือว่าเป็นของหยิบของดีรักษาอะไรในดัง้จึงควรอบรมควรแนนสอนเรื่องจิตใจจิตใจที่จะตั้งมัน่น นี่อาจมีทำได้เพราะเอาศัยการศึกษาการสึกขัดภาวนาภาวนานี้ทางหากพูดถึงเรื่องการภาวนาแล้วง่ายและอา น, นิสงส์มากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปพระพุทธเจ้าที่จะสม็จเป็นพระอาหารหันตอรหันต์เป็นพุทธะได้ก็อาศัยเรื่องภาวนาภาวนาก็คือการศึกษาในกายในใจของตัวพิจารณา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงละถอนเห็นผิดผิดข้อของใจคอยใจในเห็นตามเป็นจริงจึงเกิดโลกหลงต่างๆเชื่อว่าเราจะมีอายุเยืนยงคงอยู่เชื่อว่าของเหล่านั้นจะเป็นของของเราจริงจังเมื่อยึดมันม่นถือมัน่นเชื่อมั่นอย่างนั้นลลก็เลยหลงเลยทุกข์ในจิดเลยพ่อ ถ้าหากเราพิจารณาตามสภาวะตามเป็นจริงของมันพิจารนณะาขาดผันของตัวเองตามเป็นจริงคาผมผลผลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไปสใส่จุงต่างๆภายไหนที่ทายดูให้ทั่วถึงเห็นชัดจนเกิดอุปาะ <c oughs> ติดหูติดตาว่าอะไรว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นอะไรว่ส่วนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอสชูพระไม่น่าดูหน่สวยงามเป็นอเนจจังแต่บวนเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเข้าใจขนาดชัดเจนเห็นแก่ในตัวไม่ใช่ขาดหมายนรืสุ่มเดาเข้าใจจริงจังจนจิตยอมจำนนเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้น แตความรุ่มหลงเพิดเชิญในเรื่องของโลกมันหมดไปเพราะอะไรเพราะทุกคนที่เราลุ่มหลงว่าสวยงามอย่างนั้นสวยงามอย่างนี้ติดข้องอยากได้กําหนัดยินดีก็ล้วนแต่ของตกตะกบโสมบตระกูกะลไม่ใช่ของหยุด่องดีเราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่มีอะไรติดแปกแตกต่างกันถ้าหันอันเดียวกัน นีิงชายเป็นเดื่อสมมติไม่ใช่ดีมดไม่ใช่ของจริงเราจะสมมติไัวอย่างไรจะสมมุติกันหน่ะเนี่ยสมมุตินั้นไม่ใช่มันจริอริยสัจจริงสมมติถ้าจรเหตุที่นี้พีนะ่แจนาตัวของตัวเองรู้ทั่วเข้าใจถึงจิตใจปล่อยวางละขอนเรื่องต่างๆของตัวแล้ว โล่ก็สงกไ้หมดราบเรื่องื่นไปหมดคนอืน่นสัดอื่นเป็นอย่าง้มนมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันนี่การที่แจน่ากายของตัวเป็นเสาถึงจิตใจกีวกจิตจิตตามเรื่องต่างๆก็พอเห็นว่าเป็นของไม่จีรังอยันยืนไม่ว่ารูปว่านามมีอ น, นิจจังยึดมัน่นสำคัญไหมอาจจะเป็นอันตราย คือนำทุกมาให้ท่านย้ให้รู้ให้พอใจตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆเดี๋ยวจิตเดี๋ยปัญญาเดี๋ยศรัทธาความเพียรจีตเจริญนาเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาตั้งใจที่เรินาจิตใจเคยติดข้องเศราหมองเมื่อเห็นรู้ตามเป็นจริงแล้วจะถอดถอนมายึดมัน่นคิดมันในสิ่ง น, นั้น ใจจะเบาใจจะสบายใจจะเยือกเยน็นใจจะเป็นสุขแตไม่ใช่สุขเกลืออาวิสจะมีราอวิสเถสสุสุขเหนือจากความปิดข้องยึดถือคนที่ไม่เห็นไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าความสุขส่วนนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะใจของเรายังไม่ได้สัมผัสใจของเรายังไม่เคยริมลึก ขความสุขด้านของธรรมดังนั้นใครอยากจะรู้จะเข้าใจใครอยากจะมีความสุขไปจากชาติเียนขอพึงตังหาตังขากอเพืปฏิบัติภาวนาะศึกษาวิจารณญาให้ใจออกไปส่วนอืน่นทำใจของตนให้อยู่ในวงของธรร ม, มคิดเพื่อจะแก้ไขใจที่จิตข้อง ภาวนาหนักเข้าไปใจจะรองรวมใจจะละถอนความของจิตต่างๆใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้หนักเป็นของที่อบรมไม่ได้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันไม่นี้จะมีมาจากไหนเพราะท่านเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเราที่เหลือตัญหามานะชิติ ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนสันไม่มีอะไรบกพร่องผิดแปดกันแต่ท่านเหล่านั้นอุตส่าห์พยายามศึกษาอุตส่าห์พยายามภาวนาทำความสงบของตัวจนได้จิตใจที่เคยวุ่นวายตังวลต่างๆละถอนตกไปใจของเราที่วุ่นวายต่างๆก็เข้า อ, อ, อาศัย อารมณ์อารมณ์คล้องใจเป็นสาคัญอารมณ์นั้นโดยส่วนใหญ่เขเกิดจากหูจากตาจากมือจากนิ้วจากใจที่เคยพบเคยผ่านเคยสัมผัสเคยเห็นมาพอไปฝังสัญญายิบเอาไว้ถืเอาไว้ภายในใจฟุ้งฟุรุ่มหลง อามเก่าก wow. ่อนผ่านมาในชาติวาี่ปีสี่เดือนยังเป็นคิดนึกคิดคล้องจิงคิดควโลกก็ยังโลกยงคิวหลงกวยังหลงยงคิควรกำหนัดยินดีผ่านมาในชาติวาี่เดือนสี่ีก็ยังเป็นเส้นบ้าจะสดขึ้นเพราะความปรุงท้างใจถ่ายดูให้ระวังรักษาไม่ว่าหนูว่าตาว่าจมูที่ร่ายใจ ใหมีอินทรีย์สังวร ม, มีการสังรวมระหวังทางหากแวบออกไฟไฟชั่วไฟต่ำไฟโลกนี่ในจิตจิตจัทางมะจิตจัทางฝนสีพระพุทธเจ้าทรงแน่สอนถ้าคนเดินทางออกจากตัวทางไฟเข้าป่าก็มีภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น เดินไม่สะดวกถ้ารถลงถนนก็ไม่มีทางที่จะปลอดภัยบางทีอาจจะถึงกับเสียชีวิันไดจิตใจของเราท่านนักภาวนาก็ให้ระวังรักษาอย่าให้แับออกไปเรื่องกิเลสกันหาเรื่องของโลกระวังรักษาว่าการนึกคิดอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ในวงของธรรมในวงของโลก เป็นไปเผื่อการลาดถอนหรือเกินไปเผื่อการสะสมที่เหลือสอบที่นิจรนารณาตัวตาอยู่ส ม, ม, ม่ำเสมอถ้าหากมันไม่สงบถ้ามันสงบลงรวมนั่นมันไม่มีปัญหาที่จะมาพิจารณาอะไรอีกพอจิตรวมเป็นหนึ่งนต่รู้สึกเท่า น, นั้นไม่ได้หมมันกับสัญญาอารมณ์อะไรเนี่ยแต่ตายทั้งตายก็ไม่ทราบว่าวมันนั่งมัน ยืนมันอยู่สถานที่ใดเป็นอย่างไรจิตไม่ออกมาสัมผัสกับผู้เรียนธนาภายนอกเบาสบายหลงโงอยู่ทุกการทุกเวลาหักไม่ถอนขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่ทราบว่าวันมันเป็นอย่างไรคืนมันเป็นอย่างไรท่านานขนาดไหนในนิหมายจิตติรวมกันเป็นหนึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นหนึ่ง เฉยอยู่เบาสบายอยู่จะพิจารณาค้ายหนอกไปได้แต่เมื่อถอนขึ้นมามีกําลังเหมือนกันกับคนที่ทนนไม่ได้พักผ่อนหลับนอนในทานอาหารทําการทํา ง, งานอยู่ตลอดเวลาพราเด็กทานอาหารหลับนอนพักผ่อนธาตุขันเป็นที่แล้วทําการทํา ง, งานติดต่อไปได้แข็งแรงขันใดจิตใจของพวกเราท่านแต่วันเกิดไม่ใเคยพบเห็น ความอยากเย็นลงลงท้องใจยิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นเพราไรใเชื่อมั่นว่าความสุขของความสงบเป็นอย่างไรเลยไน่ได้มีจิตมีใจอยากแต่ปฏิบัติไม่อยากจะพักจิดดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรเตือนท้องใจเดือดไปนี่คนธรรมดาสามัญเกิดรวมตัวเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นพวกเราท่านน้กว่าเป็นผู้มีบุญวาฒนาจึงคิดอยากจะศึกษาคิดอยากจะอบรมตายวาจาใจของสมในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเหียบแล้วคนทั่วประเทศไทยที่จะหลุดตัวลอยตัวออกมาศึกษาธรรมะอยู่ป่ายอยู่ดงมาภาวนาหาของจริง ยากหนักหนาจํานวนหมื่นจะมีเพียงคนสองคนก็ทั้งยากไม่เกจอท้ อ, องไห้หาง่ายเรานี่จือเป็นคนที่มีบุญวาสนาแต่เ่าก่อนมาคนอื่นเขาไม่นึกคิดอย่างเราแต่เรานักคิดเขาจะถือว่าเราเป็นบ้าแต่เราไม่เป็นบ้าเราอย่าไปเสียใจให้เขาเขาจะว่าอะไรเป็นลมปากของเขาเขาถืว่าเป็น ตัวของเขาเขาดีเป็นดีของเขาแต่เรื่องของเราจะรักษาตัวของเราอย่างไรที่จะปลอดภัยที่จะเป็นสุขนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านควรจะมีพิจารณานํนานมาสอนจิตของตัวเรื่องอื่นที่จะปลอดภัยได้สุขถึงใจแล้วไม่มีอะไรนอกจากจะประปฏิบัติตามธรรมนิยาสอนของพระพุทธเจ้า พอพระพุท ธ, ธรรเจ้าเป็นผู้ที่หมดกิเลสขินกิเลสเป็นผู้วิเศษแต่เสดาำอะไรพูดอะไรตัดอะไรออกมาไน่มีกิเลสตัญหาเสิโลพยินอย่างไรพูดอย่างนั้นในเหมือนคนธรรมดาสามัญพูดเพื่อประโยชน์แก้สร้างโลกจริงจังไม่ได้มุ่งหวังอะไรเป็นอเสี่งตอบแทนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น แทนที่จะอยู่สะดวกสบายธาตุขันอะไรภายในใจเดี๋ยวสลาย ส, สารสลาสารสังไปแล้วมันมีอะไรติดข้องเราจะอยู่สบายเสะดวกถึงวันปรินิพานไปเจะบรินิพานไปเท่านั้นไม่อย่างนั้นมีพรเมตตาสรุณาสงสารอยากจะให้จัดโลกทั่วไปมีความสุขกายสุขใจอย่างเราพระองค์ถึงใกขนาดไหนเทวกยากราบา ประกอบแม่สอนส่วนสัตว์ที่อยูพฤปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องดีจริงจะรับความถูกจริงเชื่อมัน่นเคารพเลื่อมใสยินดีเต็นใจเพราะรู้เห็นเต็มขึ้นจากตัวของตัวไม่มีอะไรที่จะชั่วจะเสียจะจำเนิ้ ถึงพระพุทธเจ้าสุปฏิมิพานไปสองพันหาร้อยกว่าปีกว่าต่างผกประพฤติปฏิบัตรริวิเห็นเป็นจริงในตัวจะเห็นเด่นชัดกว่าพระพุาธเจ้าหรืออริยเจ้าเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่มีทางเข้าใส่เชื่ออย่างถึงจิตถึงใจจริงจริงแจงเพราะความเป็นความเห็นของเรากับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ เป็นอันเดียวกันแต่ก่อนเราไมา่ฝึกปฏิบัติจิตใจของเราไม่เห็นไม่เป็นไมร่รู้เพียงแต่ดูดูหรือฟังฟังนั่นเป็นอีกอย่างยังไม่เชื่อมั่นยังไม่ถึงขั้นอาจจะรายศรัทธาฉะนั้นขอทุกท่านจงหมัน่นที่นี่พิจารณานำธรรมะที่แม่สอนไปฝึกอบรมตัวของตัวกำหนดจิตกำหนดใจของตัวบำเพ็ญคุณธรรม คือทานศีลภาวนาให้เป็นที่เมื่อยังไม่รลุดพ้นไปจากชีวิตเมื่อไรยังยันเลียวหวตายเกิดอยู่ในภพน้อยวพใหญ่ก็จะต้องอาศัยบุญกุศลรักษาตัวของตัวให้รับความสุขตามคติทบทบาติยางนั้นหากตั้งหน้าตั้งตาประพฤตปฏิบัติจริงจังจนจิตหลุดพ้นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัย ว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนยัมีทางสงสัยตายชาตายค่ำตายในสถานที่ดใดป่าไม้ภูเขาคนอยากนิพพานนิพพานคือกาดรดับที่ไหนดับที่ไหนดับที่ไหนที่ไหนมันอยู่ในท้าในเขาในต่าในโลกหรืออยู่ในเมืองในนาที่ไหนก็อยู่ในใจของพวกเราท่านหากประเปฏิบัติดับได้ก็าหายสงสัย ดังนั้นการปฏิบัติทำดีในการปฏิบัติกายใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจ ะ, นนะต้องปฏิบัติให้ดีให้เด่นให้เป็นให้ไฟความสุขความเจริญของใจที่เราปราาพพ่าถนาก็จะประสบพบเห็นเดการบําเพ็ญภาวนาท่องตนดันั้นขอทุกคนเมื่อได้สดับแล้วฟังแล้วจงนําไปที่นิธิพพานการและ ทีายทำอ่ะก็เห็นว่าพอต้องควรเสียเวลาพอาะที่จิตอย่างเนี้เรื่อง